วันนี้เป็นวันที่แปดมีนาคมพุทธศักราชสอง9ันห้าอห้าสเมื่อวานเป็นวันพระวันนี้เป็นวันอุโบสถวันตักปักตกวันนี้วันขึ้นคำหนึ่งเดือนสี่เดือนสามเมื่อวานจบไปแล้วเดือนสามดับแต่วพวกเราได้ขึ้น ได้ลงโบสถสดพร้อมกันวันนี้มีพระทั้งหมดสี่สิบสี่รูปฟังปฏิโมกจบลงสักคร่นี้เวลานี้ก่อบ่ายโมงพวกพวกเราลงโบสถเที่ยง <c oughs> นัดกันลงโบสถเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็พระของเราทุกองคต่างพระเก่าพระใหม่ก็ให้ทั้งอกทั้งใจภาวนาปฏิบัติ เพราะสถานที่ของเราเป็นสถานที่ปฏิบัติไม่ใช่สถานที่อย่างอื่น เ, เละเละทๆไม่ได้นะ อ, อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกฎระเบียบผมในฐานะที่เป็นเจ้าของผมรับหมูพวกเพื่อนมาไม่ได้รับมาเพื่ออย่างอื่นไม่ได้รับมาเพื่อ อ, อยากจะได้หมูพวกเพื่อนมาก มากขี้ควายหลายขี้ช้างมันไม่เกิดประโยชน์ถ้ามากขี้ควายหลายขี้ช้างก็เป็นปุ๋ยมันก็ยังดีอยู่แต่มากพระเนนที่เละเทะหากฎหาเกณฑ์ไม่ได้เผยเผยยังเลวสามอีกต่างหากทำตัวไม่ดีอีกต่างหากกิริยามลายาตไม่ดีอีกต่างหากไม่รู้จะดีไปเอามามากเพื่ออะไรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเสียหาย ถ้าหากว่ามากด้วยความทั้งอกตั้งใจมากเพื่อความมุ่งมั่นมากเพื่อหาทางพ้นทุกข์มากมาเพื่อภาวนาสนใจปฏิบัติเพื่อศึกษาตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหรือตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพุทธะที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาและก็มา อยู่สถานที่นี่แล้วก็ตั้งอกตั้งใจตั้งตนให้เป็นพระทีด่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในกรอบกฎระเบียบที่หมู่พวกเพื่อนบอกกล่าวสรุปแล้วก็คือเป็นพระทีด่ดีอย่าออกนอกลู่นอกทางอย่าเป็นพระนักเลง อย่าเป็นพาหัวคลืดๆหัวลั้นไม่ยอมฟังคําใครไม่ยอมฟังคำครูบาอาจารย์ไม่ยอมฟังผู้ที่มีอายุพรรษาเหนือกว่าแต่ผู้มีอายุพรรษาเหนือกว่าก็ต้องมีหลักพระธรรมวินัยเหมือนกันไม่ใช่เมีตัวเองมีพรรษาแล้วจะด่าใครจะด่าจะพูดอะไรก็พูดไม่ใช่อานนั้นก็นไปว่าไม่อยู่ในหลักพระธรรมอีกไหนอีกเหมือนกัน ผู้ที่อยู่อปู่มีอายุพรรษาก็ต้องดูแลผูพวกน้องน้องที่เข้ามาให้อยู่ในกฎอยู่ในในระเบียบอยู่ในวินยัยแต่างคนก็ต่างอยู่ในวินัยของใครของเราอย่างผมก็อยู่ในวินัยของผมเหมือนกันอในฐานะที่เป็นหัวหน้าควรจะทําตนอย่างไรอยู่วินัยของผมแต่วินัยของผู้รองลงไปจนถึงองค์สุดท้ายอ มีวินัยอย่างไรอยู่ในสถานะอย่างไรอันนี้ให้พวกเราพิจารณาดูตนเองนะอย่าลืมอย่าหลงตนเองระการอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันหลายหลายองค์โดยมากพิธะพระหนุ่มกำลังไฟแรงไฟร้อนแต่ถึงยังไงก็ตามเราเข้ามาเพื่อดับไฟดับไฟโทสะ ดับไฟราคะดับไฟโทสะดับไฟโมหะในจิตในใจของเรามึงจะร้อนมาขนาดไหนก็เถอะมันไม่เหลือเหตุไม่เหลือเหตุเหลือผลไปได้เอามันอยู่ในเหตุผลทั้งหมดเอามันร้อนไปเพื่ออะไรทําไมจึงร้อนอเราก็ต้องมีเหตุผลในการดูแลเพราะเรามาหาหลักเหตุผลเพื่อจะดูแลจิตใจดูแลความเป็นอยู่แนวความคิดของเรา คิดทำพูดของเราต้องอยู่ในกรอบหลักเหตุและผลตาพวกเราเ อ, อยู่ด้วยกันไม่มีเหตุมีผลแล้วค้อนเตาค้อนไม้เตาไมา้ไม่มีผู้น้อยผู้ใหญ่อย่าหวังเลยความสงบพร้มเย็นเป็นสุขจะเกิดขึ้นภายในวัดของเรามีแต่เรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนักพอกหลวงพ่อเองในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าผมจะต้องบอกกล่าวอย่างนี้เป็นการเตือนย้ำให้พวกเราท่านทั้งหลายสํานึก เกียงไหมที่มันเป็นอย่างนั้น อ, อผมทํานายไปเลยว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่หาความสงบสุขไม่ได้แต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ในกรอบบวชมาเพื่ออะไรหวังอะไรต้องการอะไรฮะก็อย่างผมที่พูดให้ฟังผมบวชมาเนี่ยเพื่อ อ, อหาทางพ้นทุกขเพื่อออยังไงจึงจะพ้นทุกขอยังไง จะอยู่ในหลั ก, ลกพระธรรมวินัยเราไม่ได้บวชมาเพื่อหาราบยศสจรเสริญสุขถ้าผมหาราบยศสจรเสริญสุขผมจะต้องลื่นลนกัดแกงกว่านี้อันนี้ผมไปที่ใดถึงจ ะ, สะแสดงธรรมมองเหตุมองผลแล้วเออวัดของท่านมีความจําเป็นมากน้อยเราก็มอบให้ท่านจัดการให้ท่านถึงจะผู้อยู่มาอยู่ใกล้ของเหมือนกันตามความเหตุผล ถ้าเราให้ไปไม่หนักหนาะเออเอาโม่ให้แหมผมเองผมไม่ได้มุ่งหวังว่าจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทางลาภทางลาภทางยศนะผมต้องการเป็นมหาเศรษฐีทางธรรมคืออย่างไงผมจะากจะพ้นทุกในวัฏสงสารไม่หมาเวียนไหวตายเกิดนั้นคือความมุ่งมั่นคือตั้งใจของผมแต่สิ่งอย่างอื่นที่ได้มาโดยเป็นธรรมก็ใช้โดยเป็นธรรมไม่ให้เดือดร้อนตนและผู้อื่น แต่ผูดด้ใดหมู่พวกเพื่อนก็เหมือนกันมีความจําเป็นจะต้องได้ใช้กระบอกเอมื่อจําเป็นใช้อะไรมีความจําเป็นอะไรในหลักของพุทธศาสนาแต่ว่าเมื่อความจําเป็นของเราออกนอกลู่นอกทางอันนั้นเราไม่ใช่หน้าที่ เ, าเราจะไปเกี่ยวญ้ามุงเมืองไม่ได้เพราะเราเป็นพระเมื่อเขาเป็นฆราวาสพี่น้องเป็นฆราวาสเขาก็ต้องหาคุ้มครองกัน เราเป็นพระเป็นผู้ตัดออกมาแล้วเป็นผู้เสียสละออกมาแล้วเราก็ต้องดูเราในกลุ่มของเราตัวของเราในเมื่อเป็นคารวาสเราจะไปคุ้มครองเราก็ได้เราก็ช่วยเหลือในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาเดือดร้อนมาตัวเองนุ่นอไปเอาเงินพระพุทธศาสนาโปะให้เขาช่วยเขามันก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันอันนั้นผมก็มาเห็นด้วยนะอ พ่อเงินพุทธศาสนาเนี่ยคือใช้ในพระพุทธศาสนาถ้าเขามีความเป็นจำเป็นจริงก็ไม่ว่ากันพระพุทธศาสนาต้องช่วยคนได้ถ้ามีความจำเป็นจริงแต่ถ้าว่าเขาเป็นผู้มีหนี้มีสินหานี้หาศินใจตัวเองเอแล้วจะมาพึ่งพาอาศัยทางวัดให้พระใช้หนี้ให้พระกะดิน่นล้มดิ้นตายหาใช้หนี้แทนคารวะญาติาพี่น้องของตนเอง ไม่น่าถูกเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะวาดัดวัดก็คือวดัดคาราวะก็คือคาราวะเราจะไปยุ่งเยืงวุ่นวายกับคาราวาะนั่นแหละไปไม่รอดพุทธศาสนามัวหมองเสียหายเสียหายต่อพุทธศาสนาถ้าหากพวกเราสงเคราะห์สงเคราะห์ส า, สาธารณประโยชน์ไม่เป็นไรมีจะเกิดประโยชน์เพราะจะจะถูกปัจจัยที่ได้มา ก็ได้มาโดยสาธารณประโยชน์คนละมากคนละน้อยเอามาหย่อนตู้เอามาถวาย เ, าเราก็เก็บไว้เมื่อเก็บไว้แล้วก็เออเอาช่วยสาธารณประโยชน์ชวนกลางส่วนรวมไปแต่ว่าควรควรเราที่จะให้เป็นส่วนบุคคลนะัล้นเราต้องคิดให้ดีคิดให้รอบขอบอย่าให้เกินไปถ้ามันเกินไปเมื่ อ, อไรก็เมื่อนั้นแหละความที่เราให้ไปจนเกินไปในช่วงนั้นหละ ในเรื่องนั้นแหละมันจะเป็นพิษเป็นภยัยสะท้อนย้อนกลับมาหาเรา เ, เมื่อเราเขาทางคนได้ยินขึ้นมาแล้วก็เสียหายถึงจะไม่เสียหายถึงเขาจะไม่รู้ก็เถอะ เ, ออเรารู้แก่ใจว่าอันไหนมันผิดอันไหนมันถูกอันไหนควรไม่ควรอันไห้จะตุปปัจจัใจที่ได้มาเป็นของใครเป็นของพระพุทธศาสนาเป็นของพระพุทธทเจ้า อันนี้เราต้องเราก็มาอยู่ในวงการพระพุทธศาสนาเป็นอยู่ในวงการของพระพุทธเจ้าที่จะจับใจใชส้สอยอะไรให้พวกเราคิดนะอไม่ใช่ผมคิดตนีนะในจุดนั้นนะไม่ใช่ผมคิดตนีในจุดนั้นผมคิดแล้วขนาดวงศาคณาญาติของผมเลยนะอผมก็คิดดูแล้วถ้าว่าไม่จําเป็นไม่ถึงล้มตายจริงๆผมจะไม่ให้เหมือนกันนะเพราะใหตุไรสูญเจ้าต้องหาเองอัน ใ, ในเงินของพุทธศาสนา อไม่ใช่เงินของข้าถ้าเป็นเงินของข้าไม่ว่าแล้วข้าไปออกเป็นคารวะธรรมะค้า ข, า, ขายลารวยขึ้นมาแล้วเออแบ่งแบ่งแยกอแบ่งให้ญาติพี่น้องโหติญาติโกโหติกาเราไม่ว่ากันเพราะเราหาด้วยน้ําพักน้ําแรงของเราอแต่บัดนี้เราเป็นพระนพนนักบูดที่เราได้มาเนี่ยก็เขาอยากจะได้บุญกับเราเอเขายังค่อยทําบุญเพราะนั้น เราทำบุญก็ได้เราเราได้มาแล้วเนยะเราต้องคิดนะคิดแบ่งยังไงจง่ายสงเคราะห์คนอสงเคราะห์เกินไปหรือไม่ถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเออไม่ว่ากันเพราะมีความจําเป็นเขาหาไม่ได้เราต้องช่วยสงเคราะห์ยาติกุยาตการนั้นจะสังขารโหในภพทำคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยาตะการนั้นจะสร้างข่าโห เออคือการสงขอญาติทางด้านวัตถุทางด้าน ด, ดํามทางท่านแนวความคิดอไปโปรดไปโปรดอไปแสดงธรรมไปเมตตาเขาเอมีความจําเป็นอย่างไงจุดไหนเออถ้าเราเขาหิวข้าวอยู่ <c oughs> ถ้าเขาหิวข้าวอยู่เรามีข้าวอยู่ในมือเราไปจะแสดงธรรมให้เขาเ <c oughs> ขากลรับไม่ได้เพราะยังหิวข้าวอยู่เราก็ต้องเอาข้าวให้เขากินก่อนะ อันเมื่อเขากินข้าวเสร็จแล้วเราก็ค่อยแสดงทําให้เขาฟังอันนี้กัการสงเคราะห์ญาติการนันจะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละเวลาเขาตกทุกข์ใดยากอยู่่พอจะช่วยเหลือได้ไหมมีเรามีอะไรที่จะช่วยเขาได้ไหมในไม้ในมือมีอาหารให้เขากินไหมเราก็ให้เขาตามอัตภาพแต่ไม่ใช่ว่าให้เขาเลี้ยงไม่รู้จักโตเลี้ยงไม่รู้จักพออย่างงั้นมันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกัน น, นะอันนี้ก็คือแนวความคิดของผมนะหมู่พวกเพื่อนทุกองนะเรรับรู้รับทราบหรือว่าการบริหารเรื่องการจัดการของผมเนะ่ผมไปก้าวพิธีละก้าวละก้าวใช่อย่างที่หลวงพ่อผมพูดนะนะผมเกิดมาชีวิตเป็นจนมาจากจนเพราะนั้นการที่จะใช้อะไรก็ต้องใช้ดูให้มีเหตุมีผล แต่ให้ขีต้ตะนีทีเนียวใหม่ในใจของผมไม่มีพร้อมที่จะเสียสละพร้อมที่จะให้แต่ว่าการที่จะให้นั้นต้องมีเหตุมีผลก่อนสมควรเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็คืออาม i t h ในการให้ดูแลวัดวาศาสนาหมู่พกเพื่อนลูกน้องบริวารแต่สวนธรรมะความรู้ความเข้าใจในธรรมอันนั้นผม ไม่มีกรรมมืออยู่ในอาจารย์สิ่งไหนที่รู้ก็บอกแนะนําสั่งสอนบอกเก่าให้พวกท่านทั้งหลายปฏิบัติตนอย่างไรพิจารณาอะไรทำตนพิจารณาทำใจอย่างไรถึงจะรู้อัดรู้ทำรู้แจ้งเห็นจริงอันนั้นผมพยายามบอกเก่าให้หมู่พวกเพื่อนพวกองค์ได้รับรู้รับทราบนะ นี่แหละการเป็นอยู่ของพวกเราอย่าลืมตัวสรุปแล้วอ อ, อยู่อย่างพระอยู่อย่างพระกรรมฐานจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นจุดประสงค์ของเราบวดมาเพื่ออะไรนอ อ, อย่างที่หลวงผมได้พูดจุดประสงค์ของผมผมไม่ได้มุ่งหวังอย่างไรนะไม่ได้มุ่งหาลาบไม่ได้มุ่งหายศไม่ได้มุ่งหาสรรเสริญไม่ได้ห้ามมุ่งมุ่งหาความสุขอ อ, ออกนอกลูก่นอกทาง ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายอาหารบริโภคอาหารการอยู่กินดีขนาดไหนก็เถอะเลี้ยงร่างกายจะว่ามีความสุข เ, เหมือนกับเลี้ยงอีกสักวันหนึ่งมันก็ถึงจุดจบของมันมันจะหาความสุขได้ที่ไหนความสุขคำนี้ก็คือนี่แหละใจะชำระใจยังไง จ, จึงจะรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะถึงมักผลนิพพานจะไม่หมางเวียนหวตายเกิดในวัฏสงสารนั่นแหละ จุดมุ่งหวังของผมคือจุดหาความสุขคนระหาความสุขคือหาสุขที่ว่าจะทํำยังไงจึงมาจะไม่มาเวียนว่ายตายกเกิด น, ะนั่นแหละส่วนอย่างอื่นในใจของผมผมไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นนะพวกท่านทั้งหลายถ้าว่าผู้ใดก็ตามผู้ใดอยากจะรวยอยากจะหาเงินอยากจะมีความสุขถ้ามาอยู่ที่นี่แปลว่าผิดหวังนะมาอยู่กับผมเนี่ผิดหวังเพราฮไรเพราะผมไม่ได้ส่งเสริมอย่างนั้น ผมไม่ได้มุ่งหวังอย่างนั้นมาอยู่กับผมผมพาแนะนำอย่างอื่นพวกหมูก็ต้องการอย่างหนึ่งมันตองการผลที่สุดคือเหมือนกับมัดขากบใส่ขาหนูนะหนูมันจะปีนขึ้นบกกบมันจะกระโดดลงน้ำมันก็ขยักขยอดขยักขยืดขยักขยืดกันอย่างนั้นแหละเพราะมีความเห็นแตกต่างกัน วันนี้ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่ผมพูดทางนี้ทางนั้นคือจุดมุ่งหมายของผมไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นมุ่งหวังทางด้านวัตถุกอพอเป็นพอไปอพอได้มีความจําเป็นจุดไหนอย่างไรก็ทําจุดนั้นในเมื่อพูดจุดนั้นเพียงพอแล้วเออเอาหยุดไปก่อนอพอเป็นพอไปแล้วถ้าจุดไหนยังขาดตกปกพ่องเออเอาทํามันดีขึ้น แต่ก็ไม่ได้ทําให้หรูหราโอ้อาแข่งโลกแข่งสงสารแข่งบา ร, รมีเห็นไหมละ่ะหลวงพ่ออินทําขึ้นมาเนี่ยเหนือกว่าใครทั้งหมดผมก็ไม่เคยคิดอย่างนั้นทางด้านวัตถนะุมีแต่ทางด้านจิตใจคือนามธรรมา ท, ทางจะทํายังไงจึงจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลอันนั้นผมสอนหมู่พกเพื่อนให้ถึงให้ภาวนาให้ถึงจุดนั้น นั่นแหละถึงจุดนั้นแล้วมันพอตัวแล้วแต่ใครจะว่ายังไงมันก็อิ่มตัวพอตัวแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นถึงจะสร้างท้าววอนวัตถุห ร, รูหรหรืหรืออโอ้อาถึงขนาดไหนก็ถอะกับเรื่องกิเลสแหมมันอยู่ในโลกนี่แหละมันไปนิพพานไม่ได้ทั้นด้านวัตถุนะแหมทังด้านวัตมีแ น, นามมาทํา์ธรรมกนะำลัใจเท่านั้นแหะอันนั้นระลิกประเสริฐที่สุดอันนั้นขอให้หมู่พเพื่อนนะที่มาศึกษาและมาอยู่กับผม มีแต่ผมมีแต่แนะนําเช้าเย็นอตอนเช้าทุกเช้ากัอนอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นได้ยินนะผมไม่ได้มุ่งหวังอย่างอื่นไม่ได้แนะนําอย่างอื่นไม่ได้แนะนําใส่ลาบยศสรารเสริญสุขนะสุขแบบโรคโรคสุขแบบสุขแบบกิเลสแบบ ส, สุขแบบหมอนอหมูนอนอยู่ในเล้าหมอนนอนอยู่ในเล้าหมูนอนอยู่ในเล้า่สุขนะ ถึงเวลาก็เอาอาหารไปให้มันกินเอาน้ําไปให้มันกินน้ําลดให้เย็นตลอดเพื่อให้มันเพาะกายให้มันตัวอ้วนตัวใหญ่อพอได้ขนาดเสร็จแล้วเนะี่ยเอาหมูไปเชือดคอเนะ่ยคอทุบหัวนะ น, ะนี่ก็เหมือนกันนะถึงจะเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงเถอะอีกสักวันหนึ่งมรณะภัยเข้ามาถึงแล้วนะตายชักดิ่งชะงอตะลีตะเหลือกนะพวกเราจะว่ามีความสุขเหรอเลี้ยงร่างกายนะมันหาความสุขไม่ได้นะจะทํายังไง ยกระดับจิตใจของเราเนี่ยให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสาร เ, เห็นวัฏฏะสงสาร เ, เป็นพิษภยัยเป็นไฟเผาไหม้อยู่ในโลกนี่มีแต่กองเพลิงโลกโกรธหลงมีแต่ความทุกข์จะทำยังไงเราจึงจะหนีจากจุดนี้ทำจิตใจให้พ้นจากทุกข์ได้ปฏิบัติตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เราได้ศึกษาแลกะการแทนนพยายามทําตนประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นพระอยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินัยอยู่ในศีลในธรรมจากนั้นก็ยกระดับจิตใจของเราให้พ้นจากทุกนะไม่เหลือวิสัยถ้าแล้วมีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็ออยังล้มลุกคลานอย่างพวกเราเราท่านท่านนี่แหละแต่ผลที่สุดท่านก็มีช่องมีทาง เพาท่านมีความพยายามมีความตั้งใจมั่นมีอิทธิบาทสีในจิตในใจของท่านอีกสักวันหนึ่งท่านก็ต้องอนหนีออกจากวัฏสงสารได้นี้พวกเราก็เหมือนกันถ้ามีความพยายามมีความตั้งใจอย่างที่ผมพูดผมกล่าวพวกเราก็อีกสักวันหนึ่งพวกเราก็คงจะถึงจุดนั้นเหมือนกันนะต่อนนี้ไปสดท้ายปฏิโมกนะท่าน